พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าศึกษาคำสอนที่ถูกต้องพูดนะพี่น้องมา ใส่เสื้อสีแปลกๆนะใส่เสื้อเมืองอุดรนนะบัา้นนาคาบั้นขาวนาคานะพี่น้องเมืองสุพรรณนั่นเน่ยนะไม่ใช่อยู่ใกล้นั่นนะนะเลือดสุพรรณไปด้วยไปไหนไปกัน <laughs> เลือดสุพรรณเป็นพี่น้องของท่านประพัฒน์ โฮที่สุดทนหลวงพ่อเคยไปพักที่บ้านบ้านควายเนะี่ยบ้านควายสุพรรณนี่แหละเป็นเจ้าของเป็นลูกศิษย์หลวงตาเก่าแก่ดึกดำบันตั้งแต่หลวงตายังมีชีวิตอยู่หลวงตาเคยไปพักเมืองสุพรรณคุณในช่างพิพัฒน์กลุ่มลูกลาน ลูกหลานของหลวงตาลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเก่าแก่มันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะหลวงพ่อของเหมือนกันตระกูลของหลวงพ่อนะเป็นตระกูลของปู่ย่าปู่ย่านะโดยเฉพาะตายายไม่เท่าไหร่ตา ย, ายายลักษณะเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ตัวม้กจะถือผีทางตายาย ปู่ย่าเนี่ยโอ้นับถือพระพุทธศาสนานับถือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอย่างสุดๆตระกูลหลวงพ่อเนี่นยแหละพรอปู่ย่านับถือพุทธศาสนากันลูกหลานกับสืบทอดไม่ใช่สืบทอดแบบไม่คิดนะสืบทอดแบบกันกรองไตรตองดีแล้วนะเพราะว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันท่านสอนให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดคิดให้ดีก่อนที่จะนับถืออะไรให้คิดไม่ใช่ว่าถือแบบงมงายให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิด เ, เพราะนั้นดูๆแล้วเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังที่เป็น ตระกูลพาเป็นสัมมาทิฐิในเมื่อปู่ย่าของเราเป็นสัมมาทิฏฐิพวกนาหนาอาอาั้งหลายกับเป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาพวกหลานหลานได้ฟังทำคําสอนกับเป็นสัมมาทิฏฐิ <c oughs> ยึดประพฤติเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาธารณะ แต่พวกเรามายึดอย่างนี้พวกเราเสียใจไหมพวกเราในคณะหลานๆตีปู่ย่าพาดําเนินพี่ป้าน้าอาทั้งนาทั้งอาที่ญาติของเราพานับถือทางนี้นับถืออย่างนี้เราเสียใจไหมเรานึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราภาค เราภาคภูมิใจอย่างมากเรายังชมเชยบรรพบุรุษของเราอีกว่าฉเฉลียวฉลาดฉเฉลียวฉลาดตาถึงที่มองหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นยึดครูบาอาจารย์ที่เป็นหลวงปู่เสาปูป่มั่นเป็นแนวทางเป็นครูบาอาจารย์ที่นำพาประพฤติปฏิบัติ พวกเรามาถึงลูกหลานพวกเราเราก็ภาคภูมิใจในการจิตปัญญาแล้วการนับถือของตระกูลของเราเนะี่ยอันนี้คือนับถือมาแล้ววันนี้เป็นวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช๒๕5 9วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกพระเนี่ยลูกหลานเมอเกิดเนี่ยก็หลวงพ่อได้อบ อรรมพระนะตามปกติตอนเช้าก็พูดให้คณะทศไทยญาติโยมฟังพร้อมกับพระสงแต่พอตกกลางคืนเมื่อมีโอกาสนะมีโอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือนอกพรรษาก็เถอะถ้าช่ว ง, วงไหนที่หลวงพ่อเห็นว่าจะจะอบรมพระเรื่องภาคปฏิบัติ แล้วหลวงพ่อก็จะเรียกประชุมพร้อมกันแล้วก็ให้แนวความคิดเพราะพระเป็นผู้นำเป็นผู้นำเสียสละทุกอย่างเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาขนาดเสื้อผ้าใส่ชุดเดียวจะไปสุดเข้าชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้าว่าใคร เป็นกระวัดญาติยา โ, ย, โยมเขาไปชุมชนกลุ่มเนี่ต้องใสเสื้อสูท ต, ต้องใสเสื้อนั่นเสื้อเนี่นะแต่พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้านจะไปชุมชนกลุ่มใดก็ผ้ากาสาวพัเท่านั้นแครงผ้าให้เรียบร้อยไม่มีสีเขาไปในชุมชนนี่แหละเสียสละถึงขนาดนั้นทั้งที่เขาปลงผมผมเขาต้องตกแต่งให้สวยงาม พระก็ปงผมทิ้งสรุปแล้วก็คือผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นผู้เสียสละเสียสละทุกอย่างทางโลกที่เขาว่าดีๆพอเข้ามาบวชแล้วเสียสละเมื่อเข้ามาเสียสละเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเนาจุดประสงค์ของเราคือจุดประสงค์อะไรที่ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจของเราคืออะไร เพียงแต่มาเสียสละเพียงแค่นั้นเหร อ, อยังไม่พ อ, อะจะต้องศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจอีกต่างหากการศึกษาเข้ามาสู่ศึกษาธรรมะเนี่ยทายังไงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้รู้จักการวางตัวเราอยู่ในชุมชนสังคมใดเราต้องรู้จักเพราะท่านเราก็ามาปวดหลวงพ่อจึง แนะนำให้พระดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตประจำวันของพระควรปฏิบัติตนอย่างไรบาเพ็ญดังด้านจิตใจอย่างไรภาวนาอย่างไรทำใจอย่างไรเนี่ยมันต้องเอามาพูดกันแนวความคิดของพุทธศาสนาสรุปเลยก็คือให้คิดในสัมมาทิฏฐิน่ะคิดดีทำดีพูดดีถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วก็มันจะดีได้อย่างไร พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านคิดดีการคิดดีของพุทธะสูงส่งสูงสุดถ้าคิดชั่วอย่างเทวทัตต่ําสุดตรงเล็กมากอเวจีมหานรกอันนั้นแปลว่าคิดชั่วคำว่าปัญญาคำนี้นะ่ะปัญญาตรงนี้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือหรื อ, รอปัญญามิจฉาทิฏฐิถ้าว่าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาชอบคิดดีการปฏิบัติก็ดี การพูดก็ดีแต่ถ้าว่าการคิดไม่ดีการกระทอาออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็เป็นการพูดที่ไม่ดีและการพูดที่ไม่ดีคำนี้สติปัญญาของเราที่เกิดมาแล้วเฉลียวฉลาดาในความคิดแต่มีแต่คิดจะเปียดเปลี่ยนคนอื่นพยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นผิดจากทานองคลองทำอันนี้แปลว่าเห็นผิดจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดไหน เขานทำทไปในทางที่ผิดทาไปทางที่ผิดพูดไปในทางที่ผิดในเมื่อผิดแล้วนะมันจะไปดีได้อย่างไรเพราะมันผิดนะอย่างพระเทวทัตที่ท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดทกอย่างฉลาดปาดเปืองแต่ใช้ความรู้ของท่านไปในทางที่ผิดก็เลยตกไปในทางต่ําที่สุดนะอันนี้พวกเราอยู่ในโลกนี้อีกเหมือนกัน่แหละจะเป็นผู้ใดก็ตามใช้สติใช้ปัญญา ในทางที่ผิดทําไปในทางที่ผิ ด, นะผดพูดไปในทางที่ผิ ด, นะ ก, ด, ด, ดก็ติดติดคุกติดตารางลึกนะหลายปี อ, อย่างผูดด้ใดก็ตามใช้ปัญญาฆ่าคนอื่นไปเบียเดเบีย น, นคนอื่นฆ่ากนอ่นวางแผนฆ่าคนอื่นคนนั้นก็ติดคกุกลึกเมื่อเขาจับได้าการพูดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญญาคํานี้นะเราจะใช้ไปในทางไหนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นอย่างหลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นว่า ตระกูลของเราได้นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมและการพูดอย่างไรจึงจะเป็นธรรมจึงจะถูกต้องการพูดก็จําเป็นสําคัญเหมือนกันถ้าพูดไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักการเวลาก็ทําให้เสียหายได้อีกเหมือนกันลาคาญกับคนที่ได้ยินได้ฟัง ในเมื่อคนพร้อมแล้วที่จะได้ยินได้ฟังแต่ไม่มีการพูดกล่าวอะไรเลย เ, เข้ามาก็เหมือนอามาอยู่เหมือนกับ เ, เห็นกั น, นะะไม่มีอะไรสนทนาปารุไม่มีอะไรทําพูดให้กันฟังเลยเแล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรเพราะเราต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้มันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังในเมื่อเข้ามาสู่กันแล้วก็ต้องอาศัยการฟังผู้ฟังยอมได้วัง ยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ไดฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังหลักเหตุผลใจก็เบิกบานมีความสุขในในฟังหลักเหตุและผลนี่คื อ, อใส่การเข้ามาคบค้าสมาคมและเข้ามาสู่วัดวาศาสานาครูบาอาจารย์ไม่ว่าไปวัดไหนละ่ะ ไปนักสัสมาคมหน่อยนะถ้าท่านพูดขึ้นมาเราฟังเราฟังแล้วก็มีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลก็นําไปประพฤติธปฏิบัติถ้าไม่มีเหตุผลก็เอาทิ้งซะอพอเราไปดูในโลกเนี่ย เ, เสียงนกเสียงกายเสียงหมาเหา่าเสียงอะไรต้งมีอะไรเราก็ไม่ได้ปิดหูนะเราก็ฟังได้หมดทุกอย่างาแต่ว่าฟังไปแล้วมันมีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลแล้วก็อืมใช่อันนี้มีเหตุผลนําไปปฏิบัติ ถ้าไม่มีเหตุผลเราก็ทิ้งเอาไปทําไมพอไม่มีเหตุผลถ้ามันมีเหตุผลเราเจะปล่อยตั้งใหม่แล้วก็ต้องนําไป ป, ปฏิบัติเหมือนกับไปเรียนหนังสือนะบางไปเรียนหนังสือบางคําครูสอนนะไม่ใช่ว่าถูกทุกคำไม่ใช่บางคําครูสอนมันก็มีผิดเหมือนกันแต่ว่าพวกเราที่เป็นนักเรียนต้องการครองใตรตรองด้วยเหตุและผลในเมื่อมีเหตุผลเราก็เชื่อนําไปปฏิบัติปรับปรุง เมื่อปรับปรุงแล้วเป็นของใครไม่เป็นของไม่ใช่ของอาจารย์นะแต่เนี่เป็นสมบัติของเราเพียวๆเลยเมื่อเรานําปฏิบัติปรัปรุงกายวาจาใจของเราแล้วนะเป็นสมบัติของของเราไม่ใช่สมบัติของผู้รู้เป็นสมบัติของใครนะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะทำคําสอนของพุทธะให้พวกเราตั้งใจให้ต้องพวกเรามาศึกษาแล้วฟังแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงจิตใจของเราแะเมื่อจิตใจของเรา เป็นตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้นําชี้แนะเป็นผู้ชี้นําพวกเราก็เดินตามตามทามคำคําสอนเร่อสมาธิอย่างนี้นะพวกเราต้องปฏิบัตินะอย่างตีอย่างนี้นะเวลาเดินปัญญาเดินอย่างนี้นะวิปัสสนานะพอปัญญามีหลายอย่างอย่างที่หลวงพ่อพูดแต่ปัญญาของวิปัสนาของพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอย่างไรยมันต้องศึกษานะ เพราะปัญญาปิชาทางโลกมีมากมายเออการพูดควรจะพูดอย่างนี้นะออถ้าพูดไม่ดีก็อย่างที่ว่าออก็เสียหายอีกเหมือนกันลํำคาญกับผู้ที่ยินได้ฟังพระนคขอ้พวกเราท้ถูกฐานนะเออด็กเมืเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากแล้วก็ได้พบแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อ, อ, อย่างที่ลง ตูปูหลวงตาได้แนะนําสั่งสอนสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อว่าเป็นผู้ผู้โชคดีนะอย่างหลวงพ่อพูดเมื่อวาเนเห็นกลุ่มปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวมาหลวงพ่อวันนี้นะหลวงพ่อเองไม่ได้ยกย่องสายหลวงปู่มั่นนะแต่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเล่าให้เป็นแนวทางให้ฟังมีโยมที่เคยมาเข้าไม้สู่วัด เ, เขาไปประเทศพมา่าเขาไปอยู่เป็นรพระบราชการอยู่ที่นั่น เขาพระป harma เนี่ยศึกษาธรรมะมันแปลกแตกต่างจากเมืองไทยนะหลวงพ่อทําไมเขาไม่จะนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่เขาโอ้โหเอาจริงเอาจยิงทั้งหยาิทั้งโยมทั้งพระเนี่ยเขานั่งสมาธิผมก็ถามเขาว่าเขานั่งภาวนาเป็นยังไงพอ n ั่งเข้าไปเขาก็ถามว่าถามเขาว่าทําไมทําไมจึงไม่ได้เดินทางวิปัสสนาทําไมถึงทําแต่สมถะเน่ยเขาบอกว่าเมื่อสมถะเต็มภูมิแล้วมันจะไปวิปัสสนาเอง อันนี้แหะคือวิปัสสนาจะฟังแต่ชื่อว่าวิปัสสนาวิปัสสนาหนอนะนีแต่ผมฟังดูแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่แนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ผมได้ศึกษามาผมว่าถ้าว่ามีครูบาอาจารย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นไปแนะนําสั่งสอนเขาแนววิธีการปฏิบัติให้เดินวิปัสสนาผมว่าเขาจะไปได้ไปได้ไปได้เร็วทีเดียวนะเพราะถวามากวิถีธรรมจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเท่านั้นะ เห็นน่งเท่านั้นเองและก็คือความสุขความสุขของสมาธิแต่แปลกแตกต่าง ก, กันกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันเมื่อจิตสงบแล้วให้นำจิตที่สงบนั้นออกมาพิจารณาทางวิปัสสนาเนะี่ยมันคนละแนวกันผมไปฟังฟังได้ศึกษาดูแล้ววันนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตรงพ่อก็เคยได้ยินม า, มากต่อมากเหมือนกันที่พวก เราคณะจาญาติโยมถึงจะไปที่อินโดนีเซียก็เะพอไปศึกษาดูแล้วก่อนเนียนะมีแต่เรื่องเรื่องสมร t สมร tha ซึมากกว่าเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจาร ย, ยา์สิอธิ์ยังด้ยสิทธิของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจึองมั่นใจว่าพวกเราเกิดมาควรจะศึกษานะศึกษาแนวปฏิปทาขององค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ ในเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล่วงลับดับขันไปอธิธาษาตของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตาตาตามใจนี่แหละพวกเราควรจะเชื่อมั่นว่าพวกแม่ครูบาอาจารย์พวกเราเนี่ยดำเนินปฏิบัติมาในแนวแถวสายของพระอรหันต์พูดอย่างนั้นได้เลยละ่ mm hmm. ละดังนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะคณะจัด ท, ทายาจุ้งเป็นผู้โชคดีได้เกิดมาได้พบ พระพุทธศาสานาให้พบพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะอย่างน้อยก่อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนไม่ใช่หรอปฏิบัติธรรมทำํทำให้ใครเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนไหมก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนนะและคนอื่นเดือดร้อนไหมก็คนอื่นก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้หลังแกมเบียดเบียนใครเนะนี่ยแหะเราอยู่กับโลกด้วยความสันติด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเราต่างคนต่างอยู่ด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน พึ่งพาอาศัยกันโดยธรรมนี่แหละไม่ถึงร้อยปีและต่างคนต่างไปวัะนะไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างเดินทางกลับบ้านเก่าใครจะมีสมบัติติดกระเป๋าไปมากน้อยมากน้อยกว่ากันเท่าไหรนะ่ะวันนั้นแหละเป็นวันชุดท้ายนะนะั่นแหละกระเป๋าเงินในกระเป๋าของเราเรามีสมบัติเท่าไหร่นี่แหละนี่ก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะประกอบคุณงามความดีประกอบบุญสร้างบุญสร้างกุศล เมื่อนาทีสุดท้ายนะบุญกุศลในจิตใจของเรามีมากไหมนั่นแหละถ้าจิตใจของเราใฝ่ในการกุศลเมื่อเรากลับบ้านเก่าวันสุดท้ายนั่นนะเราจะได้ดูว่าเราขาดทุนกําไรแต่เราไม่ถึงติดจุดกับโลกอยู่ตลอดเวลา เ, เรามีแต่มุ่งหวังทางโลกพอล้างมือเสร็จแล้วก็จบเ อ, อมันเอาอะไรไปได้ไม่เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะ อ, อ แต่กระดูกตนเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้มีถ้าอกุลมิถาบุญกุศลเท่านะั้นติดตามจิตติดใจไปเพราะฉนั้นพวกเราศึกษานะศึกษาธรรมะในจุดนี้ในหลักของพุทธศาสนาและท่านบอกตายแล้วไม่สูญในจุดนี้ศึกษาดีๆตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วให้พวกเราศึกษานะรับพรพระสองฆ์อนุโมทนาให้พร